ธรรมกถาเมื่อวันทอดกะถินวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2546ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายระยะ น, นี้เป็นเทศกาลสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือเทศกาลกระถิน ซึ่งมีระยะเวลาหนึ่งเดือนตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองและวันนี้ก็เป็นวันสำคัญสำหรับวญญาณเวสกวันที่ทางไทยธนาคารโดยมีท่านประธานกรรมการ คือคุณประมวลสุทีวงเป็นผู้นำพร้อมด้วยบริษัทบีทีประกันภัยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์บีทีจำกัดและบริษัทบีทีที่ปรึกษาธุรกิจจำกัดได้พร้อมใจกันร่วมศรัทธานำผ้ากระถิน มาทอดทำบุญถวายที่วัดยานเวสกวันนี้โดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากมาร่วมอนุโมทนาในกุศลครั้งนี้ด้วยอาตัวภาพในนามของพระสงฆ์วัดยานเวสกวันและในนามของ พุทธบริษัททั้งปวงขออนุโมทนาทางธนาคารไทยธนาคารจำกัดหมหาชนพร้อมทั้งบริษัทลูกทั้งสามที่กล่าวนามมาซึ่งได้มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันทำบุญใหญ่ในครั้งนี้การทำบุญทอดกระถินนี้ มีความหมายทั้งทางพระศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของสังคมไทยเราในทางพระศาสนานั้นกระถินเป็นพุทธบัญญัติสำคัญในทางพระวินัยซึ่งพระสงฆ์ผู้ได้จำภาษาแล้วครบสามเดือนในอาวาสคือวัดเดียวกัน ถ้ามีจำนวนครบห้ารูปขึ้นไปก็จะได้ทำสังฆกรรมที่เรียกว่าการกลานกระถินและในแง่ของวัฒนธรรมประเพณีก็เป็นความสามัคคีพร้อมเพรียงกันแสดงศรัทธาของพุทธบริษัทในการที่จะอุรรปถัมภ์บรุงพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อจะได้ช่วย ำทำนุบำรุงถวายกำลังแก่พระสงฆ์ในการปฏิบัติาศาสนา ก, กิจเป็นการแสดงความสนับสนุนในการที่พระสงฆ์จะได้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนั้นซึ่งสังคมไทยได้ปฏิบัติชนิดมาเป็นเวลายาวนานในประวัติศาสตร์ถ้านับเฉพาะสมัย สุขโขทัยไปต้นมาก็เจ็ดแปดร้อยปีเขาแล้วจึงเป็นประเพณีที่มั่นคงยั่งยืนโดยสารสำคัญนั้นกระถินถือว่าเป็นบุญใหญ่มากถ้าพูดตามคำในทางศาสนาก็ใช้คำสั้นๆว่าเป็นสังฆทานและเป็นการทาน ที่ว่าเป็นสังฆทานนั้นก็คือทานเพื่อสงส่วนรวมไม่จำเพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งดังที่ปรากฏในพิธีถวายผ้ากถินที่ผ่านไปสักครู่นี้ซึ่งเจ้าภาพได้นำผ้ากถินมาวางไว้เป็นของกลางของพระสงฆ์สุดแต่พระสงฆ์จะพิจรารณา และพระสงฆ์ก็จะมีการอัปบรกมีการเสนอเพื่อแสดงมติร่วมกันทั้งนี้สังฆกรรมในด้านนี้ยังไม่จบเท่านี้หลังจากนี้พระสงฆ์ก็ยังจะต้องเข้าสู่ที่ประชุมมีการทําสังฆกรรมถวายภากถินจะเรียกว่าเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งก็ได้ในบางวัดนั้น ก็จะประกอบสังฆ ก, กรรมต่อเนื่องไปเลยในขณะที่ญาติโยมเจ้าภาพยังมาอยู่ในที่ประชุมแต่ว่าต้องใช้เวลานา น, านการถวายผ้ากรถินในเวลาเช้าเวลาจำกัดก็จึงกระทาเฉพาะพิธีอับโลคือกล่าวบอกกล่าวกันให้ทราบว่าได้มีผ้ากรถินเกิดขึ้น ดังนี้ดังนี้และมีพระภิกษุที่ตั้งข้อเสนอขึ้นมาเพื่อจะได้หารือกับที่ประชุมสงฆ์ว่าควรจะถวายแก่ท่านผู้ใดโดยเสนอนามของท่านผู้ที่สมควรจะรับและเมื่อที่ประชุมหรือสงส่วนรวมได้เห็นชอบก็ได้กระทําสาธุการคือกล่าวคําสาธุขึ้นพร้อมกันดังที่ได้ ประจักษ์แก่ญาติโยมไปแล้วส่วนสังคกรรมนั้นจะทำเป็นภาษาบาลีอีกครั้งหนึ่งสังคกรรมในส่วนที่เรียกว่ายติทุติยกรรมมาวจาอันนี้ก็คือเป็นสังคกรรมได้แก่เรื่องราวกิจการงานของส่วนรวมที่ต้องสำเร็จดนมติที่ประชุมมีการตั้งยติเป็นต้นซึ่งพระสงค์จะต้องกระทำภายในวันนี้ ให้เสร็จสิ้นไปโดยปกติก็จะทาในเวลาค่าสังฆทานหรือทานเพื่สอสงนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญไว้ว่าเป็นทานที่มีผลมากที่สุดแม้แต่เมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระองค์ก็จะสนับสนุนให้ถวายเป็นสงเป็นส่วนรวมไม่ถวายเฉพาะพระองค์เพราะว่าในระยะยาว ผู้ที่จะดำรงพระศาสนาก็คือสงฆ์ไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเมื่อสงฆ์ยังอยู่พระศาสนาก็ยังอยู่และการที่ถวายสังฆทานนั้นเมื่อถวายกรสงไปการสื่อต่อพระศาสนาและพระศาสนาก็จะได้ดำรงอยู่ตามวัตถุประสงค์ของตัวพระศาสนาเองก็คือเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนนั้นการถวายสังฆทานก็ถือว่า เป็นการทำบุญทั้งเพื่อดารงศ า, าสนาด้วยและเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมหรือแก่ชาวโลกทั้งหมดคือขยายธรรมะแผ่ไปเพื่อความอยู่ร่มเย็นเป็นสุขให้ประชาชนอยู่ดีมีสินรมอันนี้ในแง่นี้เรียกว่าเป็นสังฆทานส่วนในแง่ที่สองเรียกว่าเป็นการละทานเพราะว่า เป็นทานที่ถวายได้จํากัดเวลาเฉพาะในเวลาที่กำหนดไว้ก็คือเทศกาลกระถินในช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่กล่าวแล้วก็คือหลังจากสิ้นสุดพรรษาไปหนึ่งเดือนเต็มๆหลังจากนั้นแล้วก็ไม่อาจถวายกระถินได้ก่อนหน้านั้นก็ถวายไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นทานที่มีเวลาเฉพาะก็จึงถือว่าเป็นทานสาคัญ เมื่อประกอบกันด้วยเหตุผลทั้งสองประการนี้พุทธศาสนิกชนก็ถือว่าการถวายผ้ากรถิ่นนั้นเป็นทานที่มีบุญยิ่งใหญ่แล้วก็ที่ประจักษ์ชัดก็คือเพราะว่าพระสงฆ์ถึงอย่างไรก็ต้องขนขวายประกอบสังฆกรรมกรถิ่นอยู่แล้วถ้าญาติโยมไม่นําผ้ากรถิ่นมาถวายพระสงฆ์ก็ต้องขนขวายหากันเองแล้วพระสงฆ์จะหาผ้ากรถิ่นมามอบแก่กันนั้น จะทำใบบอกหรือจะขอจะอะไรอย่างไรไม่ได้ทั้งนั้นกฐินนั้นจะเป็นโมคะต้องเป็นเรื่องของญาติโยมมีศรัทธาเองมาบอกกล่าวมาแจ้งมาจองแล้วก็นำมาถวายถ้าพระไปบอกไปชวนหรือว่าทำเครื่องหมายให้เลดในอย่างใดอย่างหนึ่งกฐินนั้นเป็นโมคะใช่ไม่ได้ นั่นก็ถือว่าเป็นการร่วมศรัทธาของประชาชนของญาติโยมอย่างแท้จริงถ้าญาติโยมไม่มีศรัทธาแล้วกรถินก็ไม่เกิดขึ้นก็จึงถือกันว่ากรถินนี้เป็นการแสดงความสามคัคคีสามัคคีในหมู่ของพระสงฆ์เองที่ว่าอยู่ร่วมกันมาแล้วมีผ้าเกิดขึ้นผืนหนึ่งหรือทำผ้าคขึ้นเองผืนหนึ่ง ก็นํามามอบให้แก่กันโดยที่ตัวเองผู้มอบนั้นไม่ได้มีส่วนไม่ได้มีสิทธิ์ไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้เลยแล้วก็เวลาทำถ้าหากว่าโยมไม่อนํามาถวายพระต้องร่วมมือกันทําต้องช่วยกันทําทุกองค์ทำเสร็จแล้วก็นําไปถวายกระองค์หนึ่งแสดงความสามัคคีพร้อมใจกันนิญามโยมมาสนับสนุนพระก็นํามาถวายตัดขั้นตอนที่พระจะต้องลําบากในการทําผ้าขึ้นไป ก็กลายเป็นความสามัคคีร่วมใจกันของพุทธบริษัทฝ่ายคดิหัดร่วมกับฝ่ายบรรพชิตจากที่กล่าวแล้วว่าเป็นการสนับสนุนพระสงฆ์ให้ปฏิบัติได้ตามพระธรรมวินัยอันนี้เป็นข้อที่ย้ำกล่าวมาทุกปีว่าสาระของกฐินนั้นอยู่ที่ความสามัคคีพณีนี้ก็เลยได้ขยายไปจนกระทั่งเป็นความสามัคคีในหมู่ญาติโยมด้วยกัน มีการนำผ้ากรถินจากจังหวัดหนึ่งไปถวายทอดอีกจังหวัดหนึ่งโดยเฉพาะญาติโยมกรุงเทพก็นำกรถินไปทอดในต่างจังหวัดอันนี้ก็เป็นความพร้อมเพียงสามัคคีที่ว่าคนในเมืองก็ไปสนับสนุนช่วยคนท้องถิ่นอย่างนี้เป็นต้นสำหรับความหมายที่เป็นสาระสำคัญคือเรื่องกรถินในแง่ความสามัคคีปีนี้ก็จะไม่กล่าวพนันนาเพิ่มเติมเพราะว่าได้กล่าวมาบ่อยครั้งแล้ว นี่อยากจะพูดถึงความหมายของกถินอีกแง่หนึ่งคือกถินในแง่ตัวศับคำว่ากถินแปลว่าอะไรเมื่อพูดถึงคำว่ากถินโดยตัวความหมายของศับนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องแง่ของความรู้ซึ่งอาจจะน่าเบื่อสักหน่อยแต่ว่าญาติโยมก็ฟังไว้จะได้มีความเข้าใจ คำว่ากถินนั้นไหนที่หนึ่งก็แปลว่าสะดึงสะดึงนั้นก็คือไม้กรอบที่ประกบผ้าสำหรับตัดเย็บไม้สะดึงที่เย็บจีวร น, นี่ใหญ่มาก น, นก็คือว่าขึงขึงจีวรทั้งผืนเวลาจะตัดเย็บผ้าจีวร น, นั้นให้สำเร็จต้องใช้สะดึง คำว่าสะดึงนี่แหละก็ลายกลายเป็นชื่อของสังกกรรมนี้ไปด้วยคือเอาเครื่องหมายหรือสิ่งที่เป็นเหมือนสั ญ, ญลักษณ์ของกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมาเรียกเป็นชื่อของสังกกรรมตลอดจนกระทั่งเป็นชื่อของพิธีทําบุญ น, นี้เป็นการทอดกระถินก็ให้รู้กันว่า มีความหมายกว้างขยายไปโดยเฉพาะ ก, ก็คือผ้าที่สําเร็จจากไม้สดึงนั่นเองแต่ตัวกรถิ่นนี่แปลว่าไม้สดึงนี่เป็นความหมายหนึ่งอย่างง่ายๆต่อไปยังมีความหมายหนึ่งคําว่ากระิ่นเนี่ยแปลว่าแข็งนี่เป็นสัพบสา ม, มัญคำว่าแข็งก็มองได้สองแง่คือแง่บวกกับแง่ลบ แง่บวกหรือแง่ดีแข็งก็หมายถึงแข็งแรงเข้มแข็ ง, ข ง, ข ง, ขงหนักแน่นเป็นต้นอันนี้ซึ่งเป็นความหมายในแง่ที่ดีแต่ว่ากระถิ่นที่แปลว่าแข็งนั้นอีกความหมายหนึ่งก็งไม่ดีเป็นความหมายในเชิงลบเช่นว่ากระด้างหยาบรุนแรงถ้าแข็งแรงโดยมากเราหมายถึงแง่ดี ถ้ารุนแรงก็มักจะหมายถึงในแง่ไม่ดีแต่ว่าคำว่ากถินนี้ก็ใช้ได้ทั้งสองความหมายอย่างคำว่ากถินนวาจะนะคำพูดที่แข็งหมายถึงคำพูดที่กระด้างระคายหูได้ฟังแล้วไม่สบายเลยนี่เรียกว่าคำที่เป็นกถินหรือกถินนภูมิพื้นแผ่นดินที่แข็ง หมายถึงที่หยาบที่ครุขระกระด้างเดินเหยียบแล้วไม่สบายเจ็บเท้าเป็นต้นนี่ก็เรียกว่ากระถินเมื่อกันพื้นดินเป็นกระถิน น, นจึงกระทั่งว่าใจกระถินเป็นกรถิ่นนจิตใจกระถินก็หมายความว่าใจหยาบช้าแข็งกระด้างไม่มีเมตตากรุณาอันนี้ความหมายในแง่ไม่ดีแต่ในความหมายในแง่ดี กระถินนั่นก็แสดงถึงภาวะที่เข้มแข็งแข็ง แ, งแรงมั่นคงอาจจะหมายถึงการที่ว่าส่วนประกอบต่างๆนั้นได้เข้ามาประมวลกันเรียกว่าอัดแน่นทำให้เกิดความแข็งแรงขึ้นมาแม้แต่เรื่องแสงสว่างอย่างแสงพระอาทิตินี่ถ้าเป็นภาษาบาลีก็เรียกตรงข้ามว่าแสงอ่อนแสงแข็งภาษาไทยนี่ เปลี่ยนไปหน่อยหนึ่งสัมมวนแทนที่จะคู่อย่างอ่อนแข็งนี่เวลาพูดถึงแสงแสงไฟฟ้าแสงพระอาทิตย์ไม่พูดว่าแสงแข็งแสงอ่อนแต่พูดว่าแสงอ่อนแต่เวลาเป็นแสงแข็งไม่พูดว่าแสงแข็งแต่พูดว่าแสงจ้าหรือแสงแรงกล้าอันนี้เป็นเรื่องของสัมมวนภาษาแต่ภาษาบาลีนั้นใช้กับแสงพระอาทิตย์ด้วยว่าแสงอ่อนกับแสงแข็ง คือแสงกฐินอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มองได้ในความหมายอย่างที่กล่าวแล้วว่าทั้งดีและไม่ดีอันนี้ว่าถึงในแง่ของแสงก็มีตัวอย่างหลายท่านคงรู้จักคำพีมิลินทปัญหาที่พระนาคเสนได้ถวายวิสัชนาแก่พยามิลิน หรือกษัตริย์เมนานเดอร์กษัตริย์กรีกแห่งแควนโยนกซึ่งเป็นนักปรัชหรือนักปรัชญาคราวหนึ่งพระยามิลินหรือพระเจ้าเมนา น, านเดอร์นั้นได้ตรัสถามพระนากเกษนว่าพระคุณเจ้านิว่าเป็นภาษาบาลีว่าสุริโยสพกาลังกะทินังตปตินี่คําว่ากะทินัง ว่าพระอาทิตย์ส่องแสงกระถินแข็งกล้าหรือเจิดจ้าเนี่ยตลอดเวลาหรือเปล่าพระนาเกษรก็ถวายวิสัชนาว่ามหาบาพิษเป็นเช่นนั้นพระอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้าตลอดเวลาพญามิรินก็ตรัสถามกลับมาบก่กอ้าวถ้าอย่างนั้นบางครั้ง ทำไมแสงพระอาทิตย์อ่อนฟ้าครึ้มเชียวแต่บางครั้งแสงกระเจาพระน้าเกษณก็ทูลตอบถวายวิสัชนาว่าที่พระอาทิตย์ส่องแสงจ้าเป็นบางเวลาแล้วก็แสงอ่อนเป็นบางเวลาเนี่ยเป็นเพราะถูกโรคเบียดเบียนเอพระอาทิตย์ หรือแสงอาทิตย์ก็มีโรคด้ยหรือท่านบอกว่าโรคของแสงอาทิตย์มีสอย่างเดวยกันคือเมฆหมอกฝุ่นควันละอองน้ำที่มีทุลีเจือปนและราหูคือสุริยคราสหรือสุริยุปราคาเนี่ยสี่ประการเนียเป็นโรคของแสงอาทิตย์ทาให้แสงอาทิตย์ที่ตามปกติ โดยธรรมชาติก็เจิดจ้าอยู่แต่ว่ามาบดบังปรากฏแก่มนุษย์เราไม่เจิดจ้าแต่กลายเป็นแสงอ่อนไปต่อจากนี้พระยามิรินก็ยังได้ตรัสถามต่อไปอีกถึงว่าทำไมแสงอาทิตย์ในฤดูขมหันฤดูร้อนจึงไม่เจิดจ้าสว่างเหมือนอย่างในฤดูเหมันคือฤดูหนาว พระนาคเกษก็ทูลตอบต่อไปแต่ในตอนนี้ธรรมภาพจะไม่ยกมาพูดและวจะขอย้อนเรื่องที่พระนาคเกษทูลตอบเรื่องโรคของพระอาทิตย์สี่อย่างนี้กลับไปหาพุทธพท์เพราะการที่พระนาคเกษได้ทูลตอบพญามิลินไปดังนี้ก็มีเรื่องราวอ้างอิงอยู่ในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าตรัสเองพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า สิ่งที่ทำให้แสงอาทิตย์มัวหมองไปนั้นมีสี่ประการซึ่งเป็นหลักที่พระนักเสศน์นำมาอ้างอิงแต่พระพุทธเจ้าตรัสทางนี้พระองค์ตรัสไปครอบเปรียบเทียบว่าแสงอาทิตย์นั้นต้องเศร้าหมองอ่อนแรงลงไปด้วยตัวโรคสี่ประการนี้ชันใดพระภิกษุก็ชันนั้นพระภิกษุ ก็จะมัวหมองด้วยเหตุสี่ประการประการที่หนึ่งก็คือเสพสุราเมรัยสิ่งเสพติดสองประพฤติผิดเสียหายในทางเพศสยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทรัพย์สมบัติและสประกอบวิชาชีพประกอบวิชาชีพก็คือ หาเลี้ยงชีพในทางที่ไม่ถูกต้องตามพระธรรมวิ น, นัยพระภิกษุนั่นอาชีวะที่ถูกต้องก็คือการประพฤติต้นปฏิบัติตามพระธรรมวิ น, นัยแล้วประชาชนมีศรัทธาเลื่อมใสนำเอาเจ้าตุวปัจจัยมาถวายนั้นถือว่าเป็นอาชีพที่ถูกต้องแต่ถ้าไปเที่ยวหาเลี้ยงชีพก็กลายเป็นว่าเป็นมิจฉาชีพไปพระภิกษุ ก็จะต้องระวังก็คือทำให้ตัวเองเป็นผู้มีแสงอย่างกระถินอยู่กระถิญในอย่างนี้ก็คือในแงด่ดีกระถินก็คือย่างเจิดจ้าเรียกว่าเป็นกระถินตะบ ะ, ะกระถินตะบะก็หมายความว่าเป็นตาบะหรือแสงสว่างที่ยังเจิดจ้าแข็งแรงหรือเข้มแข็งอยู่เพราะฉะนั้นถ้าโยงความหมายในแงน่นี้เทศการกรถินก็เหมือนกับเตือนพระไปด้วย ว่าระวังนะอย่าทำให้เกิดความมัวหมองขึ้นโดยที่ว่าให้ดำรงรักษากรถินตะบะหรือแสงสว่างที่เป็นกรถินไว้ให้ดีโดยละเว้นความประพฤติเสียหายทั้ง4ี่ประการเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งในแง่ของกระถินและก็กรถินในแง่ของ ความหนักแน่นแข็งแรงเหมือนกับว่าเอาองค์ประกอบต่างๆมาอัดบรรจุเข้าไว้อันนี้ก็เป็นความหมายที่คำพีในทางวิณัยชั้นหลังก็ได้อธิบายไว้ท่านบอกว่าที่เรียกว่ากระถินเพราะว่าประมวลรวมเอาา น, นิสงห้าประการเข้ามาประจุไว้คือว่าพระภิกษุเนี่ยเมื่อประกอบสังฆกรรมเรียกว่าการกระถินแล้ว ก็จะได้รับอานิสงคือสิทธิทพิเศษหประการอันนี้นตรงมภาพกราฟเป็นภาษาบาลีเพราะเป็นเรื่องของพระสงฆ์ญาติโยมไม่จะเป็นต้องจําคือฟังไว้เป็นเพียงความรู้อานิสงค์ของกะถินนั้นสืบต่อจากภาษาว่าเมื่อพระพิสุจ์จํภาษาแล้วได้อานิสงค์แล้วต่อจากนั้นเมื่อกลารกระถินก็ยืดอานิสงค์ไปอีกสี่เดือนอานิสง์ ก็มีหนึ่งอนามันตจาโรแปลว่าเที่ยวไปไม่ต้องบอกลาสองอสมาทานจาโรเที่ยวไปไม่ต้องเอาใจจีวรไปครบสรับสามคณะโภชนังฉันคณะโพชันเป็นหมู่ได้สี่ยาวทัฒจีวรังจีวรที่พระภิกษุนั้นสามารถ เก็บใจจีอจวอวจรอาดิเรกอดิเรกกจีวรได้ตามปรารถนาคือตามปกตินั่นพระภิกษุใช้ผ้าจีวรได้สามผืนเป็นผ้านุ่งผืนหนึ่งผ้าห่มผืนหนึ่งและผ้าซ้อนผืนหนึ่งเรียกว่าใจจีวรใช้ได้เท่านั้นถ้าได้ผ้าอาดิเรกคือเกินจากนั้นมาเนี่ยใช้ได้แค่สิบวันถ้าเกินจากนั้นไปเป็นอาบัตินี่ก็คือให้พระภิกษุได้อยู่ง่ายๆมีความสันโดษ แต่เมื่อการกระถินแล้วนี่พระภิกษุจะได้รับอาณิสง์ก็คือมีอดกตกจีวรญาติโยมถวายผ้าพิเศษเพิ่มมาก็เก็บไว้ได้ตามปรารถนาจนกระทั่งหมดเขตอาณิสงฆ์สี่เดือนอันนี้ยาวะทัฏฐจีวรังต่อไปข้อสุดท้ายโยจตตจีวรุปปาโทโสจนเนสังพวิสติก็ แ, แปลว่าจีวรที่เกิดขึ้นในวัดนั้นหรือในเขตนั้น เป็นของพวกเธอข้อนี้หมายความว่าตามปกติชีวิตของพระสงฆ์นั้นเมื่อพระสงฆ์มาอยู่ร่วมกันแล้วมีราบเกิดขึ้นก็ต้องเฉลีย่ยแบ่งปันกันให้สม่ำเสมอแต่ว่าพระที่มาเป็นสงฆ์เป็นส่วนร่วมนั้นอาจจะมาจากที่ไหนก็ได้ถ้าเรียกว่าจารุทิศทิศทั้งสี่เมื่อมาร่วมอยู่ในวัดเดียวกันก็มีสิทธิในราบเสมอกันแต่ว่า ในกรณีของกระถินนี่ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าจากัดไว้ว่าในช่วงเวลาเนี้ยที่จะทอดกระถินได้หนึ่งเดือนเนียจีวรตอนนี้ไม่นสิทธิพิเศษแล้วเมื่อการกระถินในช่วงเวลานี้ไปแล้วเนียพระภิกษุที่มาจากที่อื่นถ้ามีจีวรเกิดขึ้นนี้ไม่มีสิทธิ์ได้รับด้วย ให้เป็นสิทธิของพระที่จำารรษาที่นี่อันนี้ก็เรียกว่าได้สิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นท่านบอกว่าเพราะประมวลเอาอานิสงส์ทั้งห้านี้ประจุขเขาไว้เหมือนกับอัดแน่นก็เลยเรียกว่ากระถินนี่เป็นความหมายหนึ่งของกระถินแล้วท่านก็อธิบายความหมายของกระถินอย่างเงียไปอีกหลายในเจร อ, อนุภาพคิดว่าไม่จำเป็นต้องานามาก่าวเพราะจะกลายเป็นฟันเฟือไป ก็รวมความเป็นว่ากระถินในความหมายนี้ก็แปลว่าแข็งแปลว่าเป็นที่ประจุอัดไว้แน่นหนาหรือหนักแน่นมั่นคงในความหมายที่ดีถ้าความหมายไม่ดีก็เป็นความหมายที่หยาบกระด้างเป็นต้นดังที่ได้กล่าวมานี้สำหรับพระสงฆ์นั้นก็ได้อานิสงส์ที่เป็นกระถินจะเรียกว่าประจุประมวลไว้ห้าประการดังกล่าวแล้ว หันมาดูทางญาติโยมบ้างแล้วโยมจะได้อานิสงส์อะไรที่จะเป็นกะถินเอามาประมวลบัจจุไว้ก็เลยมาลองพิจารณาหามาให้โยมโยมก็ควรจะได้อานิสงส์กะถินบ้างอานิสงส์กะถินในที่นี้ก็ดูเทียบจากของพระของพระเมื่อกี้นี้อาจาวภาบอกว่าพระได้อานิสงส์กระถินห้าข้อ มาบัร จ, จุรวมกันที่กระถินเนี่ยห้ามารวมอยู่ในโอกาสเดียวนี้ของโยมนี่ก็หาชุดห้ามาพระโกดกของโยมนี่เช่นเดียวกับพระแหละพระก็มีชุดอย่างนี้ด้วยได้ชุดห้าสามชุดด้วยกันเป็นสามระดับคุณสมบัติที่ดีงามที่ควรจะมาบรร จ, จุให้เป็นกระถิน ซึ่งจะเกิดผลดีในการทอดกรถิ่นนี้และสำหรับทุกๆคนสำหรับทุกๆชีวิตขอจัดเป็นสามชุดชุดละห้าชุดที่หนึ่งเป็นชุดข้างในใจชุดที่สองเป็นชุดแสดงออกเป็นเรื่องของบุคคลที่ปรากฏตัวในสังคมเช่นเรียกว่าอากัปกิริยาและชุดที่สามเป็นชุด ของความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์หรือกับผู้อื่นเนี่ยสามชุดอันนี้คุณสมบัติดีๆสามชุดนี่มีอะไรบ้างในด้านที่หนึ่งที่บอกแล้วว่าเป็นเรื่องภายในจิตใจเริ่มด้วยข้อที่หนึ่งมีจิตใจที่เหมาะงานท่าเรียกว่างั้นจิตใจที่เหมาะแก่งานคือยังไงคือจิตใจที่พร้อมจะใช้งาน งานในที่นี้ไม่ใช่หมายเฉพาะการงานอาชีพเท่านั้นแต่งานทุกอย่างถ้าแต่งานคิดในจิตใจของตัวเองคนเรานี่ข้อสำคัญจะต้องมีจิตใจที่เหมาะกับงานเหมาะที่จะใช้งานแม้แต่งานคิดถ้าจิตไม่เหมาะกับการใช้งานเช่นไม่เหมาะกับการใช้งานคิดก็คิดไม่ได้ผลดีเพราะนั้นจิตที่ดีจะต้องเป็นจิตที่เหมาะกังานเปนจิตเช่นเป็นจิตที่ไม่ขี้เกียจเป็นจิตใจที่ไม่ละเรีย ไม่หดหูไม่ท้อแท้ไม่ระยอ่อเป็นจิตใจที่มีฉันทะมีความกระตอรือรือร้นเป็นต้นอันนี้เรียกว่าจิตเหมาะงานนที่ลักษณะประการที่หนึ่งคุณสมบัติทางจิตใจต่อไปข้อที่สองจิตนั้นอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างประกอบได้เมตตามองเพื่อนมนุษย์ด้วยความปรารถนาดี โดยมีไมตรีจิตอย่างนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่ดีคือว่าใช้งานแล้วแต่ว่าก็จะไปจากัดในวข้อที่สองว่าใช้ได้จิตใจที่มีคุณสมบัติอ่อนโยนมีเมตตากรุณาต่อไปสคุณสมบัติที่ดีของจิตเป็นจิตที่ปลอดโปร่งโปร่งโล่ ง, ล ง, ลงไม่มีอะไรมาปีบขั้น ครอบงำเช่นไม่มีความเครียดเป็นตน้นเป็นจิตที่เบาสบายโปร่งโล่งนี่เป็นคุณสมบัติประการที่สต่อไปประการที่สี่จิตนั้นเป็นจิตที่ร่าเริงเบิกบานร่าเริงเบิกบานเป็นจิตที่ไม่เป็นใจตกใจไม่หดหูไม่ซึมใจร่าเริงยินดี ภาษาบาลีเขาเรียกว่าอุทัก ษ, ษจิตขอภัยทตาใช้ภาษาอังกฤษนี่เขาเรียกว่า High Spirited เป็นจิตใจที่ร่าเริงเบิกบานยินดีแล้วก็ประกาศที่5ก็เป็นจิตที่ผ่องใสจิตที่ผ่องใสใสสะอาดไม่คุณัมเศร้าหมองเป็นจิตที่มีความมั่นใจในสิ่งที่ดีงามเช่นหลักการ ตัวทําอะไรก็มีหลักการมีความมั่นใจในสิ่งที่จะทํานั้นเป็นต้นนิจัยอย่างนี้ก็จะมีความผ่องใสด้วยความมั่นใจนะอันนี้ข้อสําคัญข้อที่5้ที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างจิตใจไปถึงปัญญานะคือคุณสมบัติ5ข้อสข้อแรกนั้นจะเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงพอถึงข้อ5้นี้จะเชื่อมจิตใจกับปัญญา อันนี้เป็นเรื่องสำคัญขอขอแทรกตรงนี้นิดหนึ่งคือเรื่องจิตใจกับปัญญานี้ในทางพุทธศาสนาแยกไว้ชัดเจนจิงอยู่ปัญญานะเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งในใจของคนอย่างเวลาแสดงเรื่องของชีวิตเนี่ยก็จะแสดงปัญญาไว้ในคุณสมบัติอย่างหนึ่งของจิตใจแต่เวลาดำเนินชีวิต ทำกิจการต่างๆในพุทธศาสนาจะแยกปัญญาออกมาเป็นหมวดหนึ่งต่างหากถือเป็นเรื่องใหญ่มากแยกปัญญากับจิตใจจากการชัดเจนแต่ไม่ใช่แยกอย่างเดียวต้องโยงในตรงจุดด้วยได้ทั้งแยกทั้งโยงปัญญากับจิตใจหรือในแง่หนึ่งก็คือความรู้กับความรู้สึกต้องรู้จักบทบาทของทั้งสองอย่างนี้ให้ชัดเจนยกตัวอย่างง่ายๆ อย่างเรื่องทุกข์หรือปัญหาต่างๆในแง่ของปัญญาแล้วพุทธศาสนาบอกว่าทุกมาปัญหาเจอปัญญาสู้หมดปัญญารับหน้าหมดไม่มีหนีเลยนะทุกมาปัญหามาปัญญาสู้เผชิญหน้าไม่หนีเลยปัญญาจะเรียนรู้รู้ทันหาทางแก้ไขจัดการให้หมดสิ้นไป แต่ในแง่จิตใจแล้วไม่ยอมให้ทุกตั้งอยู่ได้ในจิตใจเลยที่พุทธศาสนานิยมต้องแยกให้ถูกเพราะนั้นพุทธศาสนาพูดถึงทุกนี่เป็นเรื่องของปัญญาเรียกว่าทุกนั้นสำหรับปัญญารู้และแก้ไขแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตใจใครเอาทุกมาเป็นเรื่องของจิตใจคือเป็นได้ความรู้สึกคนนั้นจะลบาบากนะพุทธศาสนาไม่ยอมถือว่าปฏิบัติผิด ท้าวทุกมาเป็นเรื่องของจิตใจให้ทุกมาอยู่ในใจมาครอบงําใจแสดงว่าปฏิบัติผิดแล้วทุกเป็นเรื่องสําหรับปัญญารู้ท่านเรียกว่าทุกสำหรับปัญญารู้เท่าทันอย่างในอริยสัจข้อที่หนึ่งเนี่ยเริ่มในทุกขคนไม่เข้าใจกันนึกว่าโอ้พุทธศาสนาเนี่อะไรอะไรก็เริ่มในทุกเปล่าท่านบอกต่อไปด้วยคุณต้องรู้กิจต่ออริยสัจนะทุกขัของอริยสัจจังปริญญัยังทุกข เป็นสิ่งที่พึงปริญญาทุกนั้นต้องรู้เท่าทันมันเพราะฉะนั้นปัญญาเจอทุกแล้วไม่หนีเลยเจอแล้วสู้เรียนรู้รู้ให้ทันแล้วจัดการแก้ไขแต่ในด้านจิตใจไม่ยอมให้ทุกขมาอยู่ในใจเลยอันนี้ถ้าแยกถูกแล้วจะเข้าใจอะไรแต่ละชัดเจนเอาละทีนี้ด้านรู้กับรู้สึกเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญว่าในแง่โยงก็คือปัญญาเนี่ยต้องมาช่วยจิต มาช่วยจิตใจในการแก้ปัญหาในการกําจัดความขุน牟เศร้าหมองตลอดจนกระทั่งความทุกข์นี้ให้หมดไปเพราะฉะนั้นด้านรู้กับด้านรู้สึกนี่รู้สึกจะเป็นได้แค่ปัจจัยแก่ความรู้หรือการแสวงปัญญาแต่ไม่ให้ความรู้สึกมามีอิทธิพลครอบงำปัญญาเป็นปัจจัยแก่ปัญญายังไงเรารู้สึกสงสยัยแคลงใจไม่แน่ใจ อะไรก็ตามเนี่ยท่านให้เป็นปัจจัยแก่ปัญญาที่จะแสวงหาความรู้อันนี้คือเป็นปัจจัยได้แต่ไม่ให้มีอิทธิพลครอบงำจิตเพราะถ้าความรู้สึกเข้ามามีอิทธิพลครอบงำปัญญาแล้วเนี่ยจะมองอะไรผิดเพี้ยนบิดเบือนเอ็นเอียงเหมือนกับสีแม้แต่แว่นตามีสีแล้วก็มองอะไรต่างๆก็สีไม่ตรงตามเป็นจริง เพราะนั้นท่านให้ความรู้สึกเป็นปัจจัยแก่การแสวงปัญญาได้แต่ไม่ให้ความรู้สึกมามีที่ผลครอบงำปัญญาแบ่งขาดตรงกันข้ามปัญญาคือความรู้นี้จะต้องมาแก้ไขปัญหาให้จิตใจเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจให้พ้นจากปัญหาพ้นจากความขุ่นม้เศร้าหมองพ้นจากความทุกข์พ้นจากกิเลสที่มาปิดเบือนทําให้มองอะไรต่างๆผิดพลาดจากความจริงนี่ก็เป็นเรื่องของปัญญากับเรื่องจิตใจซึ่งจะต้องแยกให้ได้ ทีนี้ในธรรมะฐางพุทธศาสนานี่ตามปกติเนี่ยจะลงข้อท้ายได้ปัญญาคุมแทบทุกหมวดธรรมะในพุทธศาสนาจะจัดเป็นหมวดหมวดมีหนึ่งสี่ห้าข้อหข้อ7ข้อโดยมากจะลงข้อท้ายได้ปัญญาในกรณีนี้ข้อสุดท้ายก็จะลงด้วยปัญญาคือคนที่จะมีจิตใจดีเนี่ยในที่สุดต้องมีปัญญาปัญญาความรู้เข้าใจจะทาให้เกิดความมั่นใจและเกิดความผ่องใส เป็นอิสระที่แท้จริงถ้าคนใดยังไม่มีปัญญาไม่รู้เข้าใจและแจ่มชัดนะั้นจิตใจมันตันมันถูกบีบคั้นมันอัดอั้นไม่มีอิสรภาพเพราะฉะนั้นปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยทําให้เกิดอิสระภาพปัญญามาเมื่อไรจิตที่ติดขัดไม่สบายอะไรต่างๆนะั้นล่งโปลงหมดใ น, นข้อสุดท้ายในะคุณสมบัติของจิตข้อที่หก็เป็นตัวโยงไปหาปัญญา ปัญญาก็คือความรู้เข้าใจเช่นรู้เข้าใจหลักการที่จะทเพออันนี้มาแล้วก็ใจก็เกิดความมั่นใจแล้วก็เกิดความพอมใสได้นี่เป็นชุดที่หนึ่งด้านคุณสมบัติภายในใจต่อไประดับที่สองชุดอากับกิริยาการปรากฏตัวคนที่อยู่ในสังคมที่ดีควรจะมีคุณสมบัติในแง่อากับกิริยา การปรากฏตัวในสังคมห้าข้อต่อไปนี้ก็คือหนึ่งคล่องแคล่วคล่องตัวที่เรียกคล่องตัวเปรียบเหมือนอย่างกับท่านใช้คำว่าเหมือนเตลทธาราเหมือนสายทานแห่งน้ำมันที่ไหลเรื่อยไม่มีขาดตอนเลยอันนี้ความคล่องตัวสองความ นุ่มนวลละมุนละไมคือนอกจากคล่องตัวแล้วก็เป็นความนุ่มนวลนละมุนละไมไม่เกะกะระรานไม่ก่อความกระทบกระทั่ง <Yeah. S 1> อาการที่แสดงออกนี้ก็เป็นความนุ่มนวลนละมุนละไมแล้วประกอกายอาการที่สมขอใช้คําว่าเกลี้ยงเกล่ำคือคําบาลีนี้บางทีก็แปลยากเกลี้ยงเกล่ำหรือแนบเนียนอะไรทํำนองนี้ ไม่เก้งก้างเกะกะกระโดกกระเด็กเนี่ยอันนี้เป็นอาการด้านหนึ่งของบุคคลที่ปรากฏภายนอกซึ่งเป็นด้านที่จิตใจนี่แสดงออกทางพฤติกรรมที่ปรากฏในสังคมแล้วต่อไปประการที่สแปลว่าน่าดูน่าชมชวนให้อยากพบอยากเห็นอีกหมายความว่าพอพบเห็นแล้ว ก็อยากจะเห็นอีกอยากเจออยากมาหาเพียยภาษาไทยคล้าย ค, คำว่ามีเสน่ห์อันนี้ลักษณะประกาศที่สต่อไปประกาศที่หแปลว่าน่าชื่นชมนิยมนับถือชวนให้เลื่อมใสหมายความว่าเห็นแล้วอยากเห็นอีกนอกจากเห็นอีกแล้ว ยังทําให้เกิดความชื่นชมเช่นชื่นชมในสติปัญญาของเขาชื่นชมในความดีงามความสามารถนะมีความมั่นใจในตัวบุคคล น, นั้นนะคนไหนที่คนอื่นเห็นแล้วเกิดความรู้สึกเรื่อมใสนิยมชื่นชมนะเกิดความมั่นใจน่าเชื่อถืออย่างนี้เรียกว่าเป็นคุณสมบัติข้อที่5ในการปรากฏตัวและเช่นเดียวกันข้อที่5้านี่ก็เป็นข้อที่ไปโยงกับปัญญา หรือเมื่อไงก็ความสามารถต่างๆมีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาไม่ใช่เฉพาะแค่หน้าดูหน้าชมอยากเห็นเท่านั้นเห็นแล้วจะต้องเกิดความชื่นชมนิยมนับถือเชื่อถือด้วยอันนี้ก็คือจะต้องมีความสามารถมีสติปัญญาจึงจะได้นั้นบางคนนี้เป็นผู้ที่คนอื่นเห็นว่ามีสเสน่ห์ แต่ว่ามันไม่ได้ข้อที่5าคือไม่ได้ข้อที่ว่าเห็นแล้วเกิดความเชื่อถือนมั่นใจนี่ถ้าได้ข้อที่5าแล้วมั่นใจเลยว่าคนนี้ก็คล้ายๆเป็นลักษณะผู้นำไปเลยเพราะนั้นได้ต้องให้ได้ข้อที่5าข้อที่5าก็จะมาเชื่อมปัญญาเข้าไปด้วยอีกเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะสาคัญข้อที่4ที่จริงใช้คาบาลีก็ได้อาจาพมาได้กล่าวข้อที่4ก็คือคาวัฒนียะ แปลว่าเป็นบุคคลที่น่าเห็นน่าดาูหรือชวนให้ชมชวนให้เห็นข้อที่5นี้เป็นภาษาธิกะน่าเลื่อมใสน่าเรื่อม ใ, ใสก็คือว่ามีอะไรดีที่เขาเกิดความชื่นชมนับถือเอาละนี่เป็นคุณสมบัติชุดที่สองชุดที่สองนี่ก็เช่นเดียวกันถ้าโยมเอามาประจุรวมเข้าในตัวได้ก็เป็นกถินอีกชุดหนึ่งกถินในระดับ ปานกลางและต่อไปชุดที่สเป็นระดับความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์เริ่มในข้อที่หนึ่งมีความนอบน้อมสุภาพนอบน้อมรู้จักให้เกียรติคนอื่นเมื่อเขาหาสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วคนไหนควรเคารพนบไว้กับเคารพนบไว้ไม่แข็งกระด้างแล้วก็ให้เกียรติแกบผู้อื่นอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สอง ถ้าบอกว่าน่ารับแขกน่ารับแขกนี่ก็หมายความว่าใบหน้ายิบแย้มพร้อมที่จะต้อนรับทักทายปราศัยภาษาบาลีท่านใช้คําที่แปลเป็นภาษาไทยว่ามีใบหน้าดังบุตรสบาแย้มบานว่างั้นก็หมายความว่าโยมจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่จะเข้าลักษณะกะถินในชุดที่สในข้อสองต้อง มีใบหน้าดังบุษบาแย้มบานว่างั้นนะอันนี้ใครเห็นก็อยากจะเข้าหาเลยหน้าตาต้อนรับแขกต่อไปข้อที่สี่ข้อที่ส่ขออภัยข้อที่สามสิสามนี่ว่าไม่ปากเปราะรานว่างั้นนะหมายความว่าไม่เอาวาจาไปเที่ยวก้าวร้าวอะไรต่ออะไรยุ่งว่าใครง่ายๆนะโดยไม่มีเหตุผล จะรู้จักพูดให้ดีให้งามให้สุภาพเรียบร้อยอันนี้ก็ไม่ต้องพนาันายาวต่อไปข้อที่สจากนัดก็ไปภาษาพระท่านใช้คำมาเลี้ยงง่ายเป็นคนเลี้ยงง่ายหมายความว่าไม่ชอบทำตัวให้เป็นภาระ ใ, ะใครๆไม่อยากรบกวนใครคือทำตัวง่ายๆสบายๆถ้าเรียกว่าเป็นคนเลี้ยงง่าย อันนี้ก็จะไปสัมพันธ์กับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คือว่าในเมื่อไม่ต้องการทำตัวให้เป็นภาระแก่ใครไม่รบกวนใครแล้วก็เป็นผู้ที่ไฝ่พร้อมจะช่วยคนอื่นอยากจะทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอยู่เสมอนี่เป็นลักษณะท่าทีที่ดีงามข้อสุดท้ายและข้อสุดท้ายนี่แหละก็มา โยงเข้าหาปัญญาอีกปัญญาความรู้ความสามารถก็มาอยู่ที่ข้อสุดท้ายก็คือว่าคิดจะทําประโยชน์แก่ผู้อื่นก็ต้องมีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์นีก็ต้องมีปัญญาอย่างน้อยอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์และในทาง ศ, ศาสนาเนี่ยท่านถือว่าแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองสิ่งเสบบริโภคต่างๆเนี่ยที่ได้มามันไม่ใช่ประโยชน์ที่แท้มันเป็นประโยชน์ระดับปัจจัยเท่านั้น ประโยชน์ระดับปัจจัยก็คือเป็นเครื่องเกื้อหนุนที่เราอาศัยเพื่อจะได้ทําสิ่งที่ดีงามขึ้นไปแต่ประโยชน์ที่เป็นสาระที่แท้ของชีวิตเช่นความเจริญ ง, งอกงามด้วยสติปรรัญญาความรู้ความสามารถคุณความดีต่างๆอันนี้เป็นประโยชน์ที่แท้ของชีวิตคนไหนคิดจะสร้างประโยชน์ที่แท้ก็ต้องพัฒนาสติปรรัญญาพัฒนาความรู้ความสามารถพัฒนาคุณสมบัติดีๆต่างๆให้เกิดขึ้นในตัวอั น, นี้ที่เรียกว่าประโยชน์ที่แท้ อันนี้คนที่จะทําประโยชน์ข้อที่4ได้เนี่ยก็ต้องมีปัญญารู้ประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็สามารถเชื่อมประสานประโยชน์ตนกับประโยชน์ผู้อื่นได้ด้วยว่าเออทำยังไงจะให้โลกนี้อยู่ได้ดีแม้แต่เราทําการอาชีพต่างๆเราก็ต้องการผลประโยชน์ของตัวเองแต่พร้อมกันนั้นเราก็ต้องทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นทํำยังไงจะให้ประโยชน์สองฝ่ายนี่มาประสานกัน เือหนุนซึ่กันและกันเป็นไปในทางที่ดีที่ให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมเช่นให้ประเทศชาติสังคมนี้อยู่ร่วมเย็นเป็นสุขเจริญ ง, งอกงามไปได้ดีอะไรเป็นต้อนอย่างเงี้ยนะแล้วก็ข้อที่สนี่ก็เป็นการประสาน ร, ระยะเฉพาะหน้าระยะยาวข้ออื่นๆมันก็ได้เฉพาะหน้าเท่านั้นเองแต่ระยะยาวก็คือว่าเมื่อรู้จากประโยชน์ที่จะทําประโยชน์ตรงนี้มันยืดมันมีเรื่องต้องทําต่อไปยาวนานไม่ใช่เฉพาะเวลานั้ น, น, นก็ไปอานว่า ชุดที่3นี้ก็เป็นคุณสมบัติในการติดต่อเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วก็ทำให้เป็นกระถิ่นซะก็คือประจุเข้ามาให้เป็นคุณสมบัติของเราตรงลงได้3ระดับแล้วอันนี้แหละถ้าหากว่าโยมญาติมิตรท่านสาธุชนสามารถสร้างคุณสมบัติสมชุดในสระดับนี้ขึ้นมา ให้ประจุเข้าไปในชีวิตของตนได้เนี่ยแน่นอนว่าจะมีความเจริญงอก ง, งามอย่างผู้นั้นอยู่ในธุรกิจการงานต่างๆก็จะทําให้ธุรกิจการงานนั้นเจริญก้าวหน้าแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยนะก็แปลว่ามี3ชุดด้วยกันแล้วก็เป็น3ระดับระดับที่1ก็เป็นชุดภายในใจชุดที่สองก็เป็นระดับปรากฏอากัปกิริยาอาการปรากฏแก่ผู้อื่นและชุดที่สก็เป็นชุดของความ สัมผันธ์เกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์อย่างคนที่ทำงานในกิจการต่างๆก็สัมผันธ์กับลูกค้าถ้ามีคุณสมบัติ3มชุดนี้แน่ใจได้เลยว่าจะทำให้ชีวิตของตัวเองก็จะเลยงอกงามก้าวนะแล้วกิจการงานของสุดรวมจะเป็นธุรกิจหรือราชการก็ตามก็จะเลยงอกงามแน่นอนรับประกันได้จะเรียวกว่าท้าพิสูจน์ก็ไดนะ้เพราะฉะนั้นก็ ลองไปพิจารณาดูว่าโยมจะรับไหมอนิสงส์กรถิ่นเนี่ยแตเพราะว่าพระนี่ได้อนิสงส์กรถิ่นท่านบอกกรถิ่นนี่ก็คือว่าประจุอานิสงฆ่าประการของพระเข้าไปแล้วนิยมก็ต้องประจุเข้าไปชุดละห้าละหเป็นสามชุดเป็นสิบห้าข้อถ้าได้อย่างนี้ก็เป็นอันว่าชีวิตดีสังคมดีแล้วก็โลกนี้ น่าอยู่น่าอาศัยเพราะว่าเป็นความเจริญงอกงามที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันคือคนนั้นก็ดีด้วยแล้วก็ดีต่อผู้อื่นต่อกิจการส่วนรวมต่อสังคมประเทศชาติไปด้วยกันหมดเลยเป็นการประสานประโยชน์ที่แท้ จ, จริงวันนี้อัรมภาพก็จึงได้นำเอาเรื่องความหมายของกถินอีกแง่หนึ่งมาให้โยมฟังเพราะว่าโยมอาจจะไม่เคยได้ยินกันเลความหมายของกถินในแง่ของ ความหมายที่ว่าแข็งแล้วก็แข็งตั้งแต่พระอาทิตย์แข็งคือแสงจ้ามาจน ก, กระทั่งถึงแข็งเพราะว่ามั่นคงหนักแน่นบรรจุไว้สึกคุณสมบัติต่างๆทั้งห้าประการแล้วก็โยมก็พยายามทําให้ได้สามชุดที่กล่าวมานี้กรถินก็จะเกิดอานิสงส์มั่นคงยั่งยืนอย่างแน่นอนเราทําบุญกระถินนี้เราได้อานิสงส์ของการทําบุญโดยทั่วไปแล้วต้องได้ อานิสงส์พิเศษของกระถิ่นโดยเฉพาะอีกด้วยถ้าได้ทั้งสองประการนี้ก็บริบูรณ์แต่สำหรับวันนี้อัวภาพก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งในการที่ท่านประธานกรรมการธนาคารไทยธนาคารจำกัดมหาชนคือคุณประมวลสุทีวงพร้อมด้วยบริษัทบีที ทางบีทีประกันภัยทางหลักทรัพย์บีทีทัางบีทีที่ปรึกษาธุรกิจเน่ยดังที่ได้กล่าวแล้วว่าได้ร่วมศรัทธาก็ร่วมศรัทธาก็หมายถึงร่วมสามัคคีด้วยนั่นแหละได้มาทําบุญทอดกรถิ่นก็ทําบุญทอดกรถิ่นแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเจ้าภาพเท่านั้นญาติโยมสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายพอได้ทราบว่าเจ้าภาพมีจิตศรัทธาทําบุญทอดกรถิ่นทุกท่านก็พลอยอนุโมทนา พลอยปรับรื้มยินดีไปด้วยมันก็เหมือนกับว่ามาอวยชัยให้พรแสดงมัตรีจิตมิตรภาพก็ด้วยมีศรัทธาร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระศาสนาเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านเจ้าภาพได้มีความลื้มปิติว่าเราได้ทําบุญวันนี้ก็ได้รับความร่วมใจทุกคนก็พรอ ย, ยินดีด้วยเพราะว่าเป็นการที่ได้มาทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาช่วยให้พระพุทธศาสนาจเจริญมั่นคงต่อไปเพื่อว่า าศาสนานั้นจะได้เผยแผ่ความดีงามหลักธรรมคําสอนออกไปเพื่อให้ประชาชนได้ตั้งมั่นอยู่ในความดีงามประพฤติปฏิบัติธรรมและสังคมก็จะได้ร่มเย็นเป็นสุขอยงที่ท่านกล่าวไว้ว่าศาสนานี้ดํารงอยู่มั่นคงยั่งยืนก็เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนจำนวนมากเพื่อเกื้อก้าวรุ่นแก่ชาวโลกอันนี้คือวัตถุประสงค์ของพุทธศาสนา ขอกล่าวยา้ำอีกครั้งหนึ่งพรับวัตถุประสงค์ของพุทธศาสนานั้นมีสองระดับเหมือนกันคือ1ระดับบุคคลสองระดับโลกระดับบุคคลก็คือนิพพานแล้วเมื่อบุคคลนิพพานก็จะสามารถมาบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกได้เต็มที่เพราะอะไรเพราะนิพพานก็คือว่าดับความรู้สึกเป็นต้นในเรื่องตัวตนจะต้องหาน่นหานี่มาบำรุงบำเลอเป็นต้น พรตัวเองนั้นเต็มอิ่มไปแล้วเต็มอิ่มบริบูรณ์ไปแล้วแม้แต่ความสุขก็มีอยู่ในตัวมันมีความสุขในตัวเต็มบริบูรณ์ก็เลยเลิกหาความสุขก็คนมีความสุขอยู่ในตัวแล้วจะไปหาความสุขทําไมนี่คนโดยมากอยากต้องหาความสุขเพราะว่าไม่ค่อยจะมีความสุขนี่พอเป็นพระอรหันต์ก็นิพพานดับทุกหมดมีแต่สุขอย่างเดียวสุขมีอยู่ในตัวเป็นกุณสมาบัติประจําตัวเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตรัสพระองค์ จะนั่งจะนอนจะอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขตลอดเวลาเมื่อเป็นสุขตลอดเวลาก็เลยไม่มีตัวตนที่จะต้องมาบำรุงบำเลอมาหาอะไรให้แล้วก็เรียกว่านิพพานก็คือหมดแล้วเรื่องตัวตนเพราะบุคคลหมดนิพพานแล้วต่อไปนี้ก็อยู่เพื่อโลกแหละเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็บำบัดกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่โลกเพราะนั้นพุทธศาสนาก็มีวัตถุประสงค์สองอย่างเนี่ยคือหนึ่งให้บุคคลนิพพานแล้วจะได้ทําการเพื่อประโยชน์สุขแก่โลก และระหว่างนั้นในระหว่างฝึกก็แม้จะพยายามทำตนให้นิพพานดับทุกข์แก่ตนเองก็ขนขายในการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นไปและการขนขายทำประโยชน์แก่ผู้อื่นก็เป็นการฝึกตนเองเป็นการดับทุกข์ของตนเองไปด้วยเพราะการทำดีแก่ผู้อื่นตั้งแต่ทานเป็นต้นไปนั่นก็เป็นการที่ว่ามาพัฒนาตนเองทำความดีให้แก่นตนด้วยการทาให้แก่ผู้อื่น พัฒนาตนไปด้วยทําทเพื่อผู้อื่นไปด้วยจกนกระทั่งพอถึงสุดท้ายแล้วก็ไม่มีตัวตนที่จะต้องมาบํารุงบําเรอหรือแม้แต่จะมาพัฒนาและต่อไปนี้ก็ทําเพื่อผู้อื่นอย่างเดียวอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าอยู่เพื่อโลกดะงนั้นคติพุทธศาสนาครอบทุมหมดพระพุทธเจ้าก็ตรัสย้าเสมอบอกว่าพระูชนะหิตายะผู้ชนะสุดข่ายะโลกาณุกรรมปายะ ว่าศาสนานี้หรือพระพุทธเจ้าอุบัติมาหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจานวนมากเพื่อเพื่อการหุนกับชาวโลกวันนี้ที่ทางคณะเจ้าภาพได้มาทำบุญถวายผ้ากฐถินก็เป็นการอนุวัติตามพุทธกติดังได้กล่าวมาอย่างน้อยก็ได้มาสนับสนุนพระสงฆ์ให้ท่านมีกำลังที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนรู้ทำแล้วไปเผยแผ่ธรรมะเพื่อประโยชน์สุขกชาวโลกต่อไป เมื่อมองในแง่นี้และโยมก็จะเห็นว่าอ๋อที่เราได้ทำบุญนี้ก็คือได้ดำรงพระศาสนาด้วยแล้วก็ทำประโยชน์สุขแก่ชาวโลกไปพร้อมกันบุญที่ได้ทำวันนี้ก็มีทั้งทานก็คือในด้านการให้การบริจาค ก, การเผือแผ่ถวายกำลังแก่พระสงฆ์อย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยพระสงฆ์ท่านได้รับทานของถวายปัจจัยสี่แล้วก็มีกาลังที่จะ บำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์สุขชาวโลกเล่าเรียนศึกษาธรรมะเผยแผ่สั่งสอนอย่างที่กล่าวมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของทานแล้วต่อไปศีลก็คือญาติโยมได้มาทำบุญนี้ก็ได้บุญจากศีลด้วยแต่บุญจากศีลก็คือการสารวมกายวาัจา เพื่อ ก, การเบียดเวียนอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีมีระเบียบวิ น, นัยช่วยช่วยสืบสารวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงามของสังคมทําให้สังคมของเราเนี่ยมีความงดงามอยู่ต่อไปการสืบต่อวัฒนธรรมประเพณีการรักษาสังคมให้อยู่ในระเบียบเรียบร้อยในคันลองที่ดีงามตลอดจกนกระทั่งว่าให้สังคมมีความเรียบร้อยในเรื่องอยู่มีจิตใจโน้มเอียงไปในทางที่ดีอย่างนี้ก็ ทำให้าไม่เบียดเบียนกันหรือเบียดเบียนกันน้อยลงหรือมีเครื่องเตือนสติยังไม่บ้างก็เป็นเรื่องของบุญที่เกิดจากศีลแล้วก็ต่อไปก็บุญที่เกิดจากภาวนาไอสงก็คือการที่ว่าโยมได้ทําบุญแล้วทําบุญด้วยความเข้าใจถูกต้องก็มีความปรับรื้มใจอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าได้ทนุบารุงศา ส, สนาบําเพ็ญประโยชน์เพื่อชาวโลกอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้นึกขึ้นมาเมื่อไรใจคอก็ มีความปลื้มใจมีความปิติมีความสุขอย่างนี้ก็เรียกว่าด้านจิตใจก็ดีหรือมาทําบุญนี้มีศรัทธามีเมตตามีเมตรีต่อการจิตใจโนไปสู่ความสงบมีความผ่องใสไม่ขุนหมัวเศร้าหมองเนี่ยเป็นบุญที่เกิดจากภาวนาแล้วสุดท้ายภาวนาอีกด้านก็คือปัญญาแล้วก็ได้เรียนรู้ได้เข้าใจคําสอนหลักพระศาสนา อย่างเรื่องความหมายของกระถินเป็นต้นและการที่จะนำกระถินไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริงอย่างไรโยมได้อย่างนี้ก็ได้อานิสงส์จากภาวนาก็เป็นด้านปัญญาภาวนาก็ครบถ้วนบริบูรณ์ก็ขอให้โยมญาติมิตรเริ่มตั้งแต่ท่านจะภาพเป็นต้นไปได้รับอานิสงส์ของกระถินทั้งอานิสงส์จำเพาะของกระถินไปรวมเข้ากับอานิสงส์ทั่วไปที่เป็นพื้นฐานของการทาบุญ ก็ข อ, ขออนุโมทนายครั้งหนึ่งในโอกาสนี้รัตนนตยานุภาเวนะรันตนนตยเ ต, เตชะษาได้เดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลคือการทอดกรถินอันเป็นสังฆทานและการลทานในโอกาสนี้จงเป็นพระละปัจจัยคือปัจจัยอันมีกําลังเกื้อหนุนให้ทันเจ้าภาพมีคุณประมลสุทีวงศประธานกรรมการ ไทธนาคารพร้อมทั้งชาวบริษัทที่เป็นบริษัทลูกทั้งหมดละติมิตรสาธาชนทั้งหลายตลอดกว้างขวางออกไปทั้งคนไทยทั่วสังคมประเทศชาติแน่แม้กระทั่งชาวโลกทั้งหมดจงจเจริญงอกงามด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาและกำลังความสามัรขีที่จะได้ดำเนินชีวิตและกิจการทั้งหลายให้ก้าวหน้าบรรลุผลสาเร็จด้วยดี และจงมีความพรั่งพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวันสุขภะละพร้อมทางปฏิภาณคุณสารสสมบัติทุกประการจงมีความร่มเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสัมมาสพัพพทธเจ้าโดยทั่ว ก, กันทุกท่านตลอดการทุกเมื่อเทิน